ทอด น, นี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปพระพุทธลำรัดที่ได้รับสั่งแก่อุทยมานพเรื่องในกราบมาแล้วโดยลำดับนั้นในข้อหนึ่งทรงแสดงว่าบิตกคือความสึกนึกเป็นทางที่เที่ยวไปของสัตว์ทั้งหลาย วิตกคือความสึกนึกทำปกติแล้วก็จะมีอยู่สองสายด้วยกันดั่นั้นเรียกว่าเป็นกุศลวิตกสึกนึกไปด้วยอำนาจของกุศลและอกุศลวิตกสึกนึกไปด้วยอำนาจของอกุศลอกุศลวิตกกับอกุศลวิตกนั้นก็เกิดขึ้นมาจากแรงผลักดันของธรรมะ กับอาธรรมหรือกุศลกับอกุศลหรือบ่าวกระปุลเร่งนี้สิ่งที่บุคคลนำมาสึกนึกนั้นเมื่อจัดโดยประเภทก็จะมีเพียงหกประเภทเท่านั้นเองคือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิน่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นธรรมะคืออารมณ์ที่บังเกิดขึ้นภายในใจแต่ว่าเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ มีทั้งส่วนที่เป็นอดีตโดยที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคือเกิดขึ้นในปัจจุบันและอาจจะอาศัยโครงสร้างของรูปเสียงกินรสโพธภัในอดีตกับปัจจุบันมาปรุงคาดหมายถึงสิ่งต่างๆที่ตนจะได้จะมีในอนาคตก็ได้แต่ในที่นี้ท่านได้จำแนกวิตกกระจายออกไปถึง9ประเภทด้วยกัน โดยเริ่มที่การมิตกหรือสึกนึกไปด้วยอำนาจความใคร่ถึงสิ่งที่ตนใคร่พอใจยินดีเพลิดเพลิพนก็ในลักษณะของนันทิย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในวันก่อนเป็นอาการเพลิดเพลินถึงสิ่งต่างๆอาจจะเป็นอดีตก็ได้อาจจะเป็ น, นอาจจ น, นาคตก็ได้หรืออาจจะเพลิดเพลิอนอยู่ในปัจจุบันก็ได้แต่ลักษณะของความตึกนึ ก, นกหรือมิตกนั้นเป็นอาการภายในใจ การตึกต ก, ตกตึกนึกอยู่ในแนวนี้ถ้าเรามองในแง่ของนิวรณ์ก็คือเรื่องของกามฉันที่นิวรณ์นั่นเองเป็นเรื่องที่ทรงสอนให้สงบระงับดับไปด้วยหลักของสมถะกรรมฐานเป็นต้นประการที่สองก็คือพยาบาทวิตุตึกนึกด้วยอำนาจของความพยาบาทก็จะสายไปในอดีตก็ได้อนาคตก็ได้แล้วก็ประลบปัจจุบันก็ได้ เกิดขึ้นจากการกำหนดหมายพวกวัตถุแห่งวิโตขบประการนั่นที่กล่าวแล้วคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัในแนวลบคือด้วยความไม่พอใจความโกรธความขับแค้นเป็นต้นแล้วก็นำมาจดนึกถึงลักษณะของความึกนึกในแนวนี้ก็คือเรื่องของพยาบาทนิวรน์นั่นเองเมื่อจดนึกข้าวแกก็ทำหน้าที่กั้นจิตเราจึงเรียกในช่วงแกกั้นจิตว่าเป็นนิว ในช่วงที่นมามันตึกนึกว่าเป็นวิตกช่วงที่สงบอยู่ข้างล่างว่าสังโยตบั้งว่าอนุสัยบ้างว่าโยคะบ้ า, บางซึ่งเฉพาะ้ัวคาเรียกองค์ธรรมเหล่านี้ในลักษณะที่แตกต่างกันและวิญญสาวิตกคือตึกตึกด้วยความเปลีป่ยนแปลงกามตึกนึกด้วยอํานาจของความเปลีป่ยนแปลนั้นอาศัยโมหะเป็นมูล อาโทสะเป็นตัวปรากฏต่อจิตใจภะเกลเอททั้งสามประเภทนี้ผู้ปฏิบัติธรรมะจะสังเกตได้ว่าถ้าเราพูดโดยภาษาปัจจุบันเราจะพบว่ากิเลสประเภทโลภะนั้นเป็นกิเลสประเภทสร้างราะกายวิตกคือจุดนึกในแนวเพิ่มพูนมากยิ่งขึนพยาบาทวิตกเป็นกิเลสประเภทโทสะเป็นกิเลสประเภททำลาย เพราะันตรโทสะเกิดในวัตถุในบุคคลในอารมณ์อะไรก็ตามก็จะมีลักษณะทำลายหรือมุ่งทำลายส่วนพวกวิญสาวิตุกมีลักษณะที่รลอเลี้ยงความคิดเหล่านี้เอาไว้ซึ่งเป็นอาการของโมหะแล้วก็เตือนด้วยโทสะนางที่กล่าวแต่ข้อนี้ไม่พึงลืมก็คือเรื่องของตรงกันข้าม พระทรงใช้แต่คําว่าวิตกเท่านั้นเมื่อวิตกเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้การศึกนึกด้วยอำนาจของกุศลก็เกิดขึ้นได้มีลักษณะทรงกันข้ามกับความสึกนึกดังกล่าวแล้วนั่นคือการสึกนึกในลักษณะที่จะดึงกายดึงจิตของตนออกจากกิเลสกามหรือออกจากวัตถุกรรม การหอกจากวัตถุกรรมนั้นโดยมองเห็นสภาวะไม่เที่ยงแท้แน่นอนของวัตถุกรรมทั้งหลายก็เรียกว่าศึกษาตามแนวของทุกขศาสัณ์นั่นเองมองเห็นว่าศาสตร์และสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาแล้วก็พยายามเนาความคิดก็พยายามที่จะถ่ายทอนอาการขวายความปรารถนายึดติด ในวัตถุกรรมเหล่านั้นลงไปก็ก่อให้เกิดความเจือจางในด้านตัวกิเลสที่เป็นสมุทยัยหรือตัวเหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งท่านเรียกในเชิงนี้ก็คือพวกของกิเลสกามพว ก, กพวกในคำวิตกคือจึกนึกด้วยการที่จะดึงการดึงจิตออกไปจากการรมนั้นเพียงประกายของความคิดบังเกิดขึ้น ก็จะทำหน้าที่สลายความเข้มข้นของกามีตกให้จางลงทำความพ่องใสาภายในจิตให้บังเกิดขึ้นและมองเห็นความไร้สาระแก่นสารของสังขารธรรมทั้งหลายที่บุคคลยื้อแย่งต่อสู้ต้องการที่จะได้มาไว้ในครอบครองของตน ดานกุศลวิตกจึงมีลักษณะเป็นสันเหลก ค, คือขัดเกาลาฝ่ายอากุศลและสร้างผลที่ต่อเนื่องภายในจิตนางที่กล่าวแล้วประการต่อไปคืออภพยาบาทวิตกอภพยาบาทนั้นก็คือเมตตานั่นเองแต่ท่านเรียกในทางตรงกันข้ามกับพยาบาทก็เรียกว่าอภพยาบาทคือไม่พยาบาทอาการไม่พยาบาทก็คือ กิเลสประเภทเมตตามีลักษณะหล่อเลี้ยงทำรองรักษาจิตของบุคคลเอาไว้ให้สงบให้เยือกเย็นส่วนปยาบาตมีลักษณะทำลายแต่เมตตามีลักษณะหล่อเลี้ยงรักษาให้เกิดความสงบความเยือกเย็นเพราะแกะทำหน้าที่ขจัดความสึกนึกในแนวปยาบาตออกไป พระเจ้าจึงส่งแสดงบางครั้งก็แสดงเพียงข้อเดียวเช็นว่าผู้เห็นภายในสังสารวัตรมีปกติอยู่ด้วยเมตตาจิตคือจิตที่ประกอบด้วยเมตตาในสัตว์ทั้งหลายมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจะเข้าถึงทางแห่งความสงบ อันเป็นที่ส ง, งบระงับในสัตว์และสังขารทั้งหลายลงไปคือจะไม่เดือดร้อนเพราะสัตว์และสังขารทั้งหลายจะไม่จิงชังเพราะสัตว์และสังขารทั้งหลายเพราะใจะอยู่ด้วยเมตตานะครับทีนี้ส่วนวิีงสาวิตกก็คืออวิียงสาวิตร เป็นการตรึกนึกในทำนองไม่เวียดเปลนเป็นลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยกรุณาที่จะดึงคนและสัตว์ออกจากขว่วของความทุกข์ที่เขากำลังประสบอยู่บางครั้งก็เป็นเรื่องของความคิดเพราะเป็นชั้นของวิตกดังกล่าวแล้วนี่คือวิตกหลักซึ่งพลิกไปทั้งฝ่ายกุศลและอกุศล ในเชิ ง, งการปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติจะสังเกตได้ว่าจิตนั้นจะแล่นไปด้วยอำนาจของวิตกเหล่านี้ไม่กุศลก็ต้องอกุศลไม่กุศลก็ต้องกุศลม้แต่ที่ท่านกระจายออกไปอีกถึงหกข้อด้วยกันเช่นว่าความจึงนึกถึงญาติเรียกว่าญาติวิตกคือจึกนึกถึงญาติพี่น้อง ตึกนั่นๆก็ศึกนึกอยู่ทั้งสองแนวญาติบางคนอาจจะสร้างความขับแค้นให้เกิดขึ้นก็สึกนึกด้วยความไม่พอใจญาติบางคนอาจจะเป็นที่เคารพรักนับถือก็ศึกนึกใจด้วยอํานาจของความเมตตาเป็นตน้นแล้วก็สึกนึกถึงชนบทคือท้องถิ่นที่อยู่ที่อาศัยของตนเอง การถึงนึกนี้ก็จะออกมาสองแนวเหมือนกันเกิดจะเป็นกุศลก็ได้อาจจะเป็นอกุศลก็ได้เกานจึกจึกนึกด้วยความห่วงใยความมิตกกังวลในบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยของตนถ้าในขณะนั้นตนทําการงานอยู่อยู่ไอ้ความมิตกในแนวนี้ก็จะบั่นทอนสมรรถนะในการทํางานของตนให้หย่อนลง เพราะความคิดถูกแบ่งแยกไปถึงบ้านไปถึงครอบครัวไปถึงชนบทที่ตนอยู่อาศัยแต่บางครั้งก็เป็นการตรึกนึกเพื่อสร้างสรรพัฒนาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในที่นั้นแล้วก็กลายเป็นผู้กุศลวิตกไปตรึกนึกถึงเทวดาการตรึกนึกถึงเทวดาก็มีอยู่สองแนวเหมือนกัน แนวหนึ่งก็คือมองในรูปของการปฏิเสธไปเลยไม่มีเทวดาไม่มีโอปปาติกะเล้วในที่สุดความคิดในลักษณะนี้พอถึงจุดหนึ่งเมื่อจะกลายเป็นการปฏิเสธสังสารวัตรเป็นการเพิ่มโมฆะให้มากยิ่งขึ้นไปในจิตใจของตนซึ่งข้อนี้ก็เป็นไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ เพาสิ่งเหล่านี้มีอยู่แท้ๆแต่คนมีความเห็นว่าไม่มีความเห็นของเขาก็เป็นมิจฉาทิจจิก็ไปคิดว่าไม่มีความคิดของเขาก็เป็นมิจฉาสังกปะคือคิดผิดไปพูดว่าไม่มีคำพูดก็มีเป็นมิจฉาวาจาคือวาจาผิดไปบอกกล่าวเชิญชวนชักชวนแนะนําคนอื่นให้เข้าใจว่าไม่มี ก็เป็นการบอกกล่าวชี้แจงแนะนำในทางที่ผิดเป็นผู้มีวาทะเป็นปฏิปักษ์ต่อพะอระอรหันต์ทั้งหลายในโลกค้นี้จะเห็นได้ว่าที่จริงมันก็เริ่มจากจุดของความคิดที่ตกลงไปในกระแสของอกุศลอาจจะเกิดขึ้นจากการประเมินตนสูงเกินไป เอาสติปัญญาธรรมดาสามัญของตนไปเทียบเคียงกับสรรพยุตยานของพระพุทธเจ้าเจาจก็ทำให้หลงตัวเองเข้าใจตัวเองว่าสิ่งที่ตนเข้าใจนั้นคือความถูกต้องใหสูดก็ออกมาทั้งด้านความเห็นด้านคำพูดด้านการแนะนำเป็นการเพิ่มบาปขึ้นภายในใจให้สูงขึ้นอีกสายหนึ่ง สายหนึ่งก็อาจจะมองในแง่ของเทวดาที่มีอยู่จริงๆและพร้อมที่จะแนกที่แจงเทวดาในชั้นต่างๆออกไปให้เห็นความคิดเหล่านี้ก็เริ่มที่ปัญญาเป็นเครื่องพินิษฐ์พิจารณาทำหน้าที่กระจัดโมหะออกไปเราสามารถที่จะสัมผัสผลในชั้นต่างๆจนถึงเป็นเทวานุสติ คือเป็นอนุสติประการหนึ่งในอนุสติทั้ง10ประการได้ประการที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าช่วยบุคคลมีความคิดที่ประกอบด้วยเทวธรรมคือธรรมะที่ทําคนให้เป็นเทวดาในปัจจุบันเช่นมียิริโอตปะเป็นต้นประการต่อไปคือความตึกนึกที่ท่นานใช้คําว่าปฏิสังยุตตคือประกอบด้วยความเอ็นดูในคนในสัตว์ทั้งหลาย นี่เน้นไปเฉพาะส่วนของกรุณาแต่ความคิดในแนวกรุณานั้นถ้าขาดโยนิโสมนสิการคือการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาโดยอุบาตแยบคายสืบสาวถึงต้นเหตุโยนิโสม ค, คือโดยกำเนิดได้แก่ต้นเหตุของสิ่งเหล่านั้นจะจะหักเหออกไปได้ดังั้นการเริ่มต้นที่กรุณาถ้าขาดปัญญาเข้ากำกับมันแฉลับออกไปนอกทางได้ เพราะความคิดที่ประกอบด้วยกรุณานั้นมีโสกะคือความโศกเป็นตัวที่แฝงเร้นอยู่กรุณาจิตบางครั้งเมื่อเดินหน้าต่อไปก็จะแหลบออก่อข้างทางกลายเป็นโศกบางครั้งจกนึกไปก็ร้องไห้ไปไลยนี้แสดงว่าจิตได้วิ่งออกไปนอกทางของกรุณาแต้วก็ไปอยู่ในทางของความทุกข์ คือความสุขแทนที่จะแก้ปัญหาให้แก่ใจตัวเองก็กลับเพิ่มปัญหาให้แต่นั้นถ้าก็สอนให้มองถึงความคิดในทุกขณะเรื่องของความคิดจึงเป็นเหมือนการขับรถซึงเราจะพบว่ารถที่จะใช้อํานวยประโยชน์ได้นั้นจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังแล้วก็หยุดได้ จะวิ่งเร็ววิ่งช้าก็ได้แต่ทําได้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งรถนั้นก็ไม่ควรจะใช้เป็นพาหนะพอถึงคราวจะเลี้ยวเรียวไม่ได้ถึงคราวจะหยุดหยุดไม่ได้ถึงคราวจะถอยถอยไม่ได้ถึงคราวจะช้าช้าไม่ได้จะเร็วเร็วไม่ได้ก็นำภัยอันตรายมาสู่เจ้าของรถจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะชิ้นเดียวกันเมื่อเล่นก็สู่ครองของวิต ก, ก็ต้องคุมได้ ต้องเลี้ยวได้ต้องถอยได้ต้องหยุดได้ต้องชะลอดได้และบางครั้งอาจจะพุ่งไปข้างหน้าก็ได้เมื่อเห็นว่าเกิดความสวัสดีไม่มีภัยอันตรายเกิดขึ้นทุกขั้นตอนของการขับรถจะเห็นว่าต้องอาศัยความรู้กํากับตลอด ความรู้ในส่วนของรถแล้วก็ส่วนที่ประกอบอยู่ข้างๆรถพอมาด้านจิตใจก็มีลักษณะอย่างนั้นการศึกนึกแม้ที่เริ่มต้นด้วยกรุณาถ้าขาดความรู้เท่าทันอาจจะหักออกไปเป็นโสกะได้ดังกล่าวท่านจึงสอนให้สอดส่องตรวจสอบดูสภาพจิตประการต่อไปเป็นความศึกนึกที่ท่านใช้คำว่าปฏิสังยุตเหมือนกัน คือผูกพันเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องชื่อเสียงเรื่องสักการะที่ตนจะได้จะมีหรือที่ตนเสื่อมไปข้อ น, นี้เพิ่งสังเกตว่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของโลกธรรมลาบก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีสักการะก็ดีชื่อเสียงก็ ด, กดีอยู่ในกลุ่มของโลกธรรมทั้งหมดที่จริงเขาเองเป็นทุกขสัตว์ถ้ามองอีกชัหนึ่งก็คือวัตถุกรร พวกทุกข์กษัตริย์กับวัตถุกรรมนั้นที่จริงเป็นกลุ่มเดียวกันแต่วการมองก็มองกันคนละชั้นมองทุกข์กษัตริย์นั้นมองในแง่ของใจรักมองวัตถุกรรมถ้ามองด้วยกิเลสกรรมก็กลายเป็นสิ่งน่าคลายน่าปรารถนาหน้าพอใจแต่ถ้าวิเคราะห์ตรวจสอบดูก็จะเห็นว่าพวกนี้ก็คือพวกกลุ่มของทุกข์กษัตริย์่นเก แต่ว่าใจไปกำหนดหมายว่าเป็นของเราบ้างว่าเป็นเราบ้างเป็นตัวของตนเป็นตัวเป็นตนของเราบ้างมีความยึดมั่นหรือมั่นโดยอำนาจของตัณหามำนาจทิจิข้าวสิ่งเหล่านั้นก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลตอนั้นท่านจึงบอกว่าวิตกเหล่านี้ที่จริงมันเกี่ยวข้องอยู่กับโลกธรรม ส่วนมากแล้วจะวิตกอยู่สองแนวถ้ามองในแนวของหมาสติปัฏฐานก็คืออภิชากระทมณัตอภิชาก็คือแนวที่อยากได้ไขว้คว้าปรารถนาอยากมีอยากเป็นอยากให้ดำรงอยู่ตลอดกาลนานก็แล้วแต่จะจึกนึกไปลึกขนาดไหนหรือห ล, ลงงมงายขนาดไหนเช่นต้องการจะให้อยู่นานแสนนานก็ถือว่าหลงมาก เป็นการปฏิเสธถึงสัจธรรมเพราะสิ่งทั้งหลายนั้นมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแม้เราเองก็ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดกาลนานแล้วสิ่งเราอื่นจะอยู่ได้ตลอดกาลนานได้อย่างไรดังนั้นความคิดในแนวนี้เป็นเรื่องที่ยังไงยังไงคนก็ต้องเกี่ยวข้อง ทางพระอุธศาสนาก็สอนให้มองในหลายชั้นด้วยกันในชั้นแรกก็คือมองในแง่ที่จะตอบสนองความต้องการของตนเท่าที่มีความจำเป็นนั่นก็คือในกรณีปัจจัยสเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของตัวเองถ้าได้มากขึ้นอยากได้แล้วก็ได้มากขึ้น ก็จะใช้ไปในแนวที่จะสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลแก่บุคคลเองจึงกลายเป็นเศรษฐีใจบุญขึ้นมาแต่พอมาถึงอีกชั้นหนึ่งปัญหาในด้านจิตใจของบุคคลนั้นเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องเหล่านี้มากจะทำอย่างไรเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ได้ทำใจเตรียมรับไว้ทั้งสองด้านคือด้านทั้งเกิดขึ้นและด้านความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ทรงแสดงไว้ในโล ก, กธรรมสูตรว่าที่จริงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่พระยะเจ้ากับปุตชฌ์เหมือนเหมือนกันจุดแตกต่างกันไม่ได้อยู่ที่สิ่งซึ่งเกิดขึ้นแต่อยู่ที่จิตซึ่งรู้สิ่งที่เกิดขึ้น เราก็สร้างความเปลี่ยนแปลงภายในจิตของบุคคลนั้นๆสําหรับพระเรียเจ้านั้นท่านไม่ตรึกนึกถึงสิ่งเหล่านี้ในแนวของวิตุกแต่สิ่งเหล่านี้ก็เกิดเกิดขึ้นแก่ท่านโดยความเครารพสกสารของบุคคลทั้งหลายพอสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นปริชาญาณอย่างรู้ถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้นเช่นลาบ สักการะชื่อเสียงหรือการยกจ้องต่างๆบังเกิดขึ้นทั้งก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่สิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นเมื่อตั้งอยู่ก็คือตั้งอยู่เมื่อดับไปก็คือดับไปสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็ได้เป็นไปแล้ว ใจจะไม่หวั่นไหวไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นทั้งด้านดีและด้านไม่ดีท่านจึงเรียกว่าใจท่านไม่ฟูขึ้นแล้วฟุบลงเพราะลาบสักการะชื่อเสียงแต่ผูุ้ชนผู้ไม่ได้สดับธรรมของพระอริยะไม่ได้ศึกษาธรรมของพระอริยะไม่เข้ารู้ทั่วถึงธรรมของพระอริยะเพราะส่วนลาบยศสักการะชื่อเสียงบังเกิดขึ้นก็ชื่นชมยินดี แต่่าสิ่งเหล่านั้นแปรเปลี่ยนแปลงไปก็ประกอบด้วยความโศกความทุกข์ความโทมนัสความคับแค้นใจบางครั้งบางคนทนไม่ไหวจนถึงทำอันตรายต่อตัวเองก็มีฉันในชั้นของความตึกนึกจะพบว่าเป็นความตึกนึกทั้งสองด้าน ตึกนึกด้วยอำนาจของอภิชาคือปรารถนาไขวยคว้าอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เรื่อยๆไปจนหาจุดจบสิ้นไม่ได้ว่าเป็นเท่าไหร่จรึงเรียกว่าพอนั้นคนก็หาคำตอบไม่ได้ก้อนนี้บพงดูตัวอยา่างในวงราชการของเราปัจจุบันนั้น4ี่บอก็ถือว่าสูงสุดแนละ้วอาจจะดูสมัยสมเด็จเจ้าพระยา สมัยชั้นพิเศษอะไรก็ตามก็ถือว่าจุดสุดยอดแล้วแต่ถามว่าท่านเหล่านั้นหยุดความปรารถนาที่จะมีจะเป็นแล้วหรือยังก็ตอบไปอย่างยังปรารถนาความมีความเป็นที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นตอนนั้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นตามความมีความเป็นที่ตนเข้าไปเกาะไปยึดถืออยู่ ความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนนั้นทรงสรุปว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการที่จิตไปยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้านั่นเองเป็นความทุกข์และขัน้านั้นเพิงสังเกตว่า ก, ก็คือเรื่องของวัตถุ ก, การรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเป็นส่วนของรูปขันธรรมารมณ์อารมที่เกิดกับใจเป็นส่วนของสัญญาขันเวทนาขันสังขารขัน แล้วก็วิญญาณขันธ์คือส่วนของจิตองค์ประกอบร่วมของขันธ์อีกสี่ประการนั้นแต่ความสึกนึกเหล่านี้ท่านจะกระจายออกไปอย่างไรก็ตามที่จริงแล้วก็อยู่ในแวดวงของกิเลสหรือธรรมะคือพวกกวามวิตกพยาบาทวิตกวิญาสาวิตกหรือตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านั้นที่เป็นกุศล ใาจัรย์ายคำว่าเนคขม ว, วิตกอัพยาบาทวิตกวิอวิงสาวิตกประการต่อไปก็คือเป็นการตรึกนึกกลัวคนอื่นจะตำนิติเตียนกลัวคนอื่นก็จะศบประมาทดูถก ด, ด, ด, ดุมินความคิดในแนวนี้ที่จริงประกอบด้วยกุศลคือท่านเน้นไปในส่วนของกุศลเป็นแรงกระตุ้นของฮิริโอตปะ ที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลคราวนี้เพื่สังเกตว่าทิฏฐิอตปะนั้นจะมีการปรรกปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกทิริมักจะประรบปัจจัยภายในกลัวความเสื่อมเสียจะเกิดขึ้นในภายในอาจจะอาศัยชาติสกุลอาศัยวัยอาศัยการศึกษาอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งกระหายของตอ ถ้าควาประพฤติกระทำไปในทางไม่เหมาะไม่ควรกลัวกระทบกระเทือนแต่บางครั้งบางคราวก็พวกอัตปะในกรณีของอัตปะนั่นจะเกิดขึ้นมาจากปัจจัยภายนอกอย่ากลัวว่าทำไปแล้วตัวเองจะติเตียนตัวเดงได้หรือผู้รู้ใครควรแล้วอาจจะติเตียนเอาหรือกลัวจะติดพวกติดตารางหรือว่ากลัวจะบังเกิดในทุกขติหลังแกตายไปแล้ว ซึ่งก็หมายภวาพว่าความตึกนึกในแนวนี้ที่จริงก็อยู่ในกลุ่มของกุศลนิพพุกแต่ท่านพูดในกรณีการแล่นไปของจิตไม่ได้พูดว่าแล่นไปดีหรือไม่ดีเพราะคำถามถามถึงว่าจิตท่องเที่ยวโลกเที่ยวท่องท่องเที่ยวไปในอะไรหรือสัตว์โลกท่องเที่ยวไปในอะไรอะไรเป็นที่ท่องเที่ยวไปของสัตว์โลก พระเจ้าก็ทรงแสดงว่าวิตกเป็นที่ท่องเที่ยวไปของสัตว์โลกเพราะแม้แต่การไปด้วยกายเคลื่อนไหวไปทางกายจะไปต่างประเทศหรือไปที่ไหนก็ตามจะเขาว่าบ้นเรื่องของวิตกเป็นตัวชีน้นําเป็นตัวกําหนดนัดไปทั่วที่นั้นที่นี้ที่นอนอะไรก็ตามวิตกเป็นตัวกําหนดขึ้นว่าที่นั้นดีที่นั้นน่าไปน่าสนุกสนานอย่างนั้นอย่างนั้น คนอื่นอาจจะป้อนข้อมูลให้วิตกจกนึกถึงก็ได้หรือตัวเองไปจกนึกเอาศึกษาค้นคว้าเอาแล้วเกิดปรุงแต่งเอาต้องการจะพบจะเห็นสิ่งต่างๆเาล่ า, านั้นและในที่สุดก็บังคับให้เกิดความเคลื่อนไหวขึ้นมาบางครั้งอาจจะบินทัวร์ได้รอบโลกแต่ถ้าเรามองกลับแล้วอะไรเป็นตัวกำหนดให้แล่นไปบอกว่าใจ ใจถูกปรุงด้วยอะไรก็ปรุงด้วยวิตกส่วนจะเป็นกุศลหรืออกุศลนั้นก็ว่ากันเป็นกรณีกรณีไปแต่ก็ไม่อื่นไปจากเรื่องของวิตกซึ่งข้อนี้เพึงสังเกตว่าก็ยุติด้วยหลักที่เราจําทรงกันแพร่หลายว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจประธานสาเร็จมาแต่ใจหมายความพฤติกรรมทั้งมวลของคนมันอยู่ที่ใจ การเคลื่อนไหวเป็นบวกเป็นลบเป็นกุศลเป็นอ ก, กุศลมีผลเป็นสุขเป็นทุกข์หรือกลางๆก็ตามล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากใจทั้งนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้บุคคลฉลาดในกระบวนการทางจิตโดยจักข่มจิตถักห้ามจิตประคับประคองจิตปิดกั้นจิตเอาไว้ตามสมควรแก่อารมณ์นั้นในกรณีที่เป็นกุศลก็ ร, รักษาคุ้มครองประคองไว้ ในกรณีที่เป็นอกุศลก็ห้ามกั้นสกัดกั้นปิดกั้นกำราบบันเทาเอาไว้<ด>เพื่อให้เกิดความสุขความสงบขึ้นภายในใจของตนด้วยการเพิ่มกุศลและการลดกุศลการลดอกุศลนั่นเองต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป